ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เข้าเป้าโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่29กันยายน2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ใครได้ไปอ่านเล่มใหม่หรื อ, อยังเนี่ยสารนสกอ่านบ้างแล้วเหรอวันนี้แตมาอยากเอาเนี่ยถแถลงท่านติขาเขียนเนี่ยมาอ่านให้พวกเราฟังไปอ่านให้ชมรรฟังทีแล้วล่ะอ่านตั้งแต่ตอนโน่นน่ยตั้งนัตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยหนังสือท่านเขียนเอาไว้ว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เข้าเป้าท่านก็สมมติ อะไรอารามอารามนี่ก็คือวัดป่านั่นเองพูดง่ายง่ายนั้นท่านส ม, มุติอารามขึ้นมาอารามหนึง่งจำลองจำลองสถานการณ์ณอารามแห่งหนึ่งเป็นที่บําเพ็ญธรรมของขุณเ้่งครัดอัดคนอื่นชื่อนะชื่อเข่งครัดนามสกุลอัดคนอื่นมีมีอยู่สี่คนปฏิบัติธรรมในอารามนี้ อันนั้นคนที่หนึ่งคนที่สองคุณหย่อนยานบาลท่าโรคคนที่สามคุณปัญญานิยมล่มเมืองและคนที่สี่คุณเพ่งงานไม่อ่านใจทั้งสี่คนนี้มีพิธีบรรลุธรรมได้อย่างไรบ้างานะแล้ท่านก็ไล่ไปทีละคนท่านติดขาเนี่ยท่านเขียนแบบนี้เก่งท่านเขียนท่าน ติกะแปลว่าอะไรฮะติกะปัญญานะเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีไหวพริบมีปฏิภาณเฉลียวฉลาดอย่างเงี้ยเนี่ยติกะวีโรเนี่ยอ่าเราตอนนี้ท่านก็เริ่มเขียนคนที่หนึ่งเขียนถึงคุณคุณเข่งรัดอัดคนอื่น <laughs> ใครจะกล้าตั้งชื่ออย่างนี้บ้างเนี่ย <laughs> อลองวังดูนะว่าคุณคนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นผู้มีบารมีอยู่บ้างเลยทําดีทําเคร่งได้กว่าใครๆคือคื อ, ค, อคือก็เก่งอะนะก็เลยทําดีทําเคร่งได้ได้เก่งกว่าใครเขาแถมยังเอาภาละแบกวัดแบกโรงเรียนแบกหมู่บ้านจนตาลายเห็นอะไรผิดไปหมด คือแบกมากไปไงก็จะแบบแบกไอ้นนท์แบกกันนี่มันล้นอะ่ะมันล้นเกินละคราวนี้เลยเริ่มหน้ามืดนะเริ่มหน้ามืดตาลายแล้วก็นี้จนตาลายเห็นอะไรผิดไปหมดโชคดีที่เธอรู้เท่าทันเจ้าอัตตาเลยหันมาพิจารณาความเอาแต่ใจความยึดให้ได้ดังใจเธอเริ่มเห็นแสงสว่างรำไรของการยึดความถูกต้อง จนกลายเป็นความถูกต้มจากเหตุผลที่มากมายบัดนี้เธอรู้แล้วว่าเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงคือท่านเขียนสั้นๆนะนะเขียนแบบสรุปๆเลยเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีการขยายอะไรคือส่วนใหญ่เนี่ยถแถลงที่ลงหน้าแรกของสารนโซกเนี่ยก็ความเนี่ยส่วนใหญ่จะลงแค่หน้าเดียว โดยโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเขียนแบบสั้นๆเพราะเราดูนะในเก่งครับเนี่ยเกง่งเก่งแล้วก็แบกอะไรต่ออะไรคือยิ่งทําดีได้ยิ่งทําเก่งได้อัตรายิ่งโตนะอัตราก็คือนีอ่แหละความยึดมั่นถือมั่นความอะไรอะ่ะเป็นจะเข้าจะของอะไรเงี้ยมันก็จะเต็มที่ยิ่งเก่งเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งยึดมากเท่านั้นเสร็จแล้วพอยึดมากๆเข้ายึดมากๆเข้า มันก็อยากอ่ะอยากให้ น, น, น, น, ใหนันเป็นอย่างงั้นอยากให้นนท์เป็นอย่างนี้ยิ่งเก่งเนี่ยยิ่งทํางานอะไรยิ่งเก่งมื่ยิ่งทําได้เยอะทําได้ไวทําได้มากเพราะฉะนั้นก็ยิ่งอยากให้อะไรดาเนินไปจเจริญไปอย่างชนิดที่เรียกว่ารวดเร็วทันใจเป็นไปได้นะอย่างโนนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมักแบกอย่างนี้แหละโดยเฉพาะแบกไปแบกไปแล้วก็แบกอัตตา จนกระทั่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพลาดคนที่เป็นอย่างนี้จะพลาดจะพลาดอะไรรู้ไหมคนเก่งเนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดเลยจะพลาดตรงอะไรจะพลาดจนจะจัดการจะเจ้ากี้จการจะให้คนอื่นเนี่ยต้องเป็นไปอย่างไปอย่างที่เราเราคิดหรือว่าเราวางแผนหรือว่าเราเชื่อว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบผดดเดการหรือจะเป็นแบบ ใช้อำนาจเพราะว่ามันเก่งไง อ, อ่เพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องระวังก็คือจะต้องระวังเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนคนเก่งเนี่ยจะต้องฝึกตรงนี้ไว้ยิ่งเก่งก็ยิ่งต้องอ่อนน้อมให้มากนะยิ่งรู้จักบรโตโคสะฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยให้มากจะต้องเป็นลักษณะนั้นแต่ในที่นี้ท่านก็สรุปเลยว่าเออก็แหมนะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเกิด แสงสว่างล้ำลายขึ้นมาเนี่ยคือเนี่ยกว่าจะเห็นการยึดความถูกต้องว่ากลายเป็นความถูกต้ม <c oughs> <c oughs> คือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยโอ้โหเปื่อยเลยนะต้มจนเปื่อยเลยอะ่ะถ้าไม่รู้ตัวเนี่จริงๆมันก็เหมือนกับอัตราเรามากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาไฟเนี่ยสมใส่ไปในใจเราใส่ไปในตัวเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อย ยิ่งนานวันยิ่งนานวันก็เผาผลาญเราเผาผลาญเรานะจากสุกก็เกรียมก็ไหมก็ยุ่ยเลยนะอ่าฮ่มอดทะลุเลยแหรอนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยระวางังว่านกว่าจะรู้ตัวเนี่ยกว่าจะซึ้งเข้าไปถึงคําที่พ่อท่านมักจะพูดว่าเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงเนี่ย โอ้ยากยากมากๆเลยแต่มาเคยเคยบอกให้พวกคุณฟังนะว่าความลับเนี่ย ส, สโลกอันเนี้ยเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงเนี่ยพอท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยแจกให้สมณะแจกให้สมณะนะเพราะบางทีนั่นแหละยิ่งปฏิบัติไปเรืยสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมโอ้คนมากราบไหว้เขารบยิ่งสอนคนอื่นเขา มันจะเผลอตรงเนี้ได้ที่บางทีก็จะใช้อะะไรออำนาจออกไปว่าต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนั้นสิมันจะพลาดออกไปได้จนกระทั่งก็ยึดเหตุผลว่าโอ้ยบวชมาตั้งยี่สิบกว่าพันษาแล้วนะเนี่ยโอ้ยพระไตรปิฎกอ่านมาเยอะต่อเยอะแล้วนะเพราะนั้น ประสบการณ์ก็มากมันเหตุผลอุ้ยเหตุผลเราเยอะแยะแล้วเราก็ยืดเหตุผลเลนะี่ะซึ่งเหตุผลนั้นไม่ผิดด้วยนะฟังดูให้ดีนะเหตุผลนั้นไม่ผิดนะแต่เหตุผลเนี่ยมันทำให้บ้าบ้าอะไรบ้าตาบ้าหนาามันตรงนี้อันตรายตรงนี้แหละที่จะต้องระวังคราวนี้ไม่ต้องเอาใหญ่อะไรค่ามากเอาแค่เนี่ยแหละ คุณไปทํางานอยู่ที่ไหนอ่ะฐานไหนอ่ะจะฐานชมลอเอาเอาฐานขอบคุณเอะเอาโรงเรียนเอาเห็นมั้ยนี่บอกบอ ก, บอกหมดแล้วนี่แบกวัดแบกโรงเรียนแบกหมู่บ้านเาเพราะฉะนั้นน่ะใครเนี่ยที่จะไปเก่งอยู่ในที่ไหนอดไม่ได้หรอกอดไม่ได้ที่มันจะยึดอย่างเนี้ยดีอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วก็ความคิดของเราประสบการณ์เรามากมายเนี่ยเราจะคิดว่า อันนี้เราต้องถูกต้องที่สุดเพราะต่อให้คนอื่นผิดด้วยนะแล้วเราเนี่ยถูกต้องที่สุดแต่พูดง่ายว่าเขาต้องยอมเราหมดอะไม่มีว่าเรายอมเขานี่นี่นี่อเพราะนั้นต่อให้เหตุผลถูกเนี่ยแต่อัตราเนี่ยความบ้าอำนาจของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่อให้คุณเก่งจริงด้วยคุณเก่งจริงแต่ในที่สุดแล้วนะ ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบหรอกเพราะคุณเก่งแต่ว่าคุณบุ้ง่ายว่าต้องตามฉันหมดเลยอะคุณไม่มีว่าให้คนอื่นเขาคิดเองหรือว่าทําเองบ้างหรือว่าเอาปล่อยให้เขาหัดทําบ้างอาจจะผิดผิดถูกถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วคุณก็จะเก่งอยู่คนเดียวด้วยไอ้อย่างเงี้ยถ้าตายไปนะคนอื่นแย่เลยแย่ตรงไหนอะแย่ตรงทําไม่ค่อยเป็น มากกว่าคนอื่นเขาจะโอ้โหค่อยๆเก่งค่อยๆรู้ขึ้นมาก็ต้องอาศัยเวลาอีกยาวนานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่เก่งจริงจะไม่คิดอะไรสั้นๆจะต้องคิดยาวคือแม้แต่ตัวเองไม่อยู่แล้วก็คนอื่นสืบทอดต่อตามมาได้เหมือนผู้เจ้า่างเนี้ยแต่ผู้เจ้าเก่งอยู่คนเดียวซึ่งจริงหรือเปล่าละ่ะจริงด้วย ก็เก่งคนเดียวจริงๆด้วยแต่เห็นไหมท่านไม่โงอ่ะแล้วท่านก็ไม่ได้มีกิเลสมานะอัตตาแบบนี้ตอนแรกๆเนี่ยท่านบวชเองเลยบวชภิกษุบวชเองแต่แต่หลังท่านก็ออไมล่ละนะให้บวชโดยวิธีการอื่นๆคือถ้าวิธีแรกเราเรียกเอหิภิกขุอุปสัำปัตานะคือท่านตรัสไปท่านั้นเองว่าเธอมาเป็นภิกษุเธดนั่นแหละถือว่าสําเร็จแล้วบวชเป็นภิกษุได้แล้ะ ทันทีเลยไปหาบาทหาจีวรมาเท่านั้นเองอแต่พอต่ อ, ตอมาเอาให้บวชโดนโดยอะไรบ้างอ่ะจําไม่ได้ละไตสรนาคมไตสรนาคมก่อนนะก็มี เ, เสร็จแล้วก็ต่อมาก็เอา้าบวชแบบยติจตุตกรรมอะไรพวกเนี้ยก็เป็นหมู่สงมาบวชให้นี่แหละต่อหลังท่านก็จะค่อยๆปล่อยเพราะบอกแล้วถ้าอย่างนี้อีกหน่อย เอา้าหมดท่านไปคนอื่นก็ไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเป็นเป็นอยู่เนี่ยแหละท่านกา็เตรียมแล้วให้คนอื่นสืบทอดได้ต่อได้แม้แต่การสอนต่างๆสอนอยู่คนเดียวได้ยังไงแค่จะทำให้กว้างขึ้นจะทำใ ห, ให้เจริญขึ้นต้องให้คนอื่นเป็นด้วยหรือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่ากระจายอํานาจใช่ไเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่ากระจายอานาจ ก็ต้องแบ่งกันออกไปสิน่าถึงจ ะ, จะเจริญนะอันนี้เนี่เนี่ยคนที่หนึ่งเพราะนั้นระวังใครที่เคร่งคัดแล้วอัดคนอื่นเนี่ยระวังคือคนอื่นต้องซีโลลา่าเพียงอย่างเดียวคนอื่นเนี่ยมาเถียงมาอย่างนัอนอย่างงี้เนี่ยไม่ได้เลยเหมือนเหมือนขออภัยนะที่เขาพูดถึงนายกทักษิณเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะ ปกครองโดยแต่ผู้เดียวอ่ะใช่ไหมใครมาค้านแยง้งใครมาเถียงใครมาอะไรเนี่ยยากอันนั้นนะัะนะบพวกต่างๆเขาก็เต่ว่าต่อขานตรงนี้กันนะเอาเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่อยู่ในอารามเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งชื่ออารามนะอาลามนี้อาตมาว่าโหมันคงจะเป็นอารามที่วุ่นวายหนอ <laughs> ไม่น้อยเลยนะเนี่ย เพราะคนแรกก็โอ้โหนายเก่งคัดอัดคนอื่นนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าชีวิตพนะ่พอๆเข้าใจเรื่องเหตุผลคือความบ้าอัตราคือความจริงชีวิตของเธอพ้นจากวิกฤตได้เพราะหันมาเพ่งมองความผิดของตนทุกๆครั้งที่ทุกเกิดขึ้นครั้งใดเธอจะใช้คำภาวนาว่ากูผิดกูผิดปัจจุบันนี้ใครๆก็ชมว่า นิสัยเธอเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยยึดแรงแข็งกระด้างแต่เลาะแหละแล้วแต่อารมณ์ปัจจุบันคุณเค่งครัดจะนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนเมตตาแต่เด็ดขาดและมั่นคงคือเปลี่ยนไปเลยพอเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากใช้อำนาจก็บอกแล้วก็ใช้รู้จักปรตโตโคสะ รู้จักฟังความคิดเห็นคนอื่นจากแข็งกระด้างต้องตามใจเราใช่ไหมก็รู้จักอ่อนโยนรู้จักที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่มองแต่คนอื่นเขาผิดแต่คราวนี้เออหาจมองว่าตัวเราเองอ่ะผิดอะไรบ้างอย่ามองแต่สิ่งที่ถูกของตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เก่งจริงนะคนเก่งจริงเนี่ยเขาก็ต้องมองส่วนที่จะเป็นผลเสียสําหรับตัวเองด้วย แม้ว่าอย่างงี้คิดถูกอย่างนี้ทำถูก อ, อย่างเงี้ยตามพระไตรปิฎกเลยชัดเจนถูกต้องตามคำสอนเลยแต่ถ้าคนอื่นเขารับไม่ได้ออย่างเช่นเงี้ยถ้าสมมติอย่างาางี้ไปแนละ้วสอนคนอื่นเขาอัดคนอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาอาจจะโกรธโมโหก็อาจจะมาเหยียบเอาก็ได้นอย่างเงี้ยก็จะต้องรูไ้ไอ้มุมที่มันจะเสียตามมาคือถ้าอย่างงี้ก็จะประมาณเป็นแล้วใช่ไหมประมาณเป็นมันก็จะลด เออ้ยเราเอาขนาดนั้นไม่ได้หรอกขนาดนั้นมันมั น, ม, นมันเกินไปคนอื่นเขารับไม่ได้อย่างงี้แหละวันในที่สุดก็เลยแก้ไขตัวเองได้ก็เลยกลายเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนเมตตาแต่เด็ดขาดแล้วก็มัน่นคงอ่านนั่นคนที่หนึ่งส่วนคนที่สองคุณหย่อนยานบานทโรกบานทโรกนี่ใครรู้บ้างอะ่ะคืออะไร จริงๆมันเป็นโรคนะลักษณะของโรค อ, อัตมาเนี่ยไอ้ที่จำคำอันนี้ได้ น, นะสมัยก่อนน่ะที่เขาไปรักษาโรคฤาษีดวงทวารเนี่ยหมอหมอโบราณเนี่นะเขาจะมีอยู่อานจะจำไม่ได้และสี่ห้าชนิดเนี่ยเขาก็จะบอกไปนะชื่อนะชื่อคล้องๆเลยนะแต่จะมาจำไม่ได้ละชื่อ อะไรเดือยไก่อะไรอย่างเงี้ยนะชื่อเด้อยไก่ชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะสุดท้ายนี่แหละบานทโรคบานทโรคหรือบานทโร่เนี่ยแหละมาจําไม่ได้ชนิดสุดท้ายของโรคฤีษีดวงทวารอันนี้แผนโบราณเขาอะนะอาตมาก็เนี่ยยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะปัญเตท่านเอามาจากอันนี้หรือเปล่าว้าคือไม่รู้นะมาคําว่าบานทโรคนี่คืออะไรแตน่นึกจากที่เคยได้ยินได้ฟังมา ก็นั่นละคือมันบาดละคือมันอาการหนักแล้อ่าแล้วดูนะนี่เมื่อกี้อันนี้ตรงข้ามกับคนที่แล้วเลยนะเพราะคนคนที่แล้วเข่งครัตใช่ไหมคนที่หย่อนยานอ่าตอนนี้เป็นไงนายหย่อนยานบานทโรควันวันมีแต่ความวุ่นวายจนแทบจะไม่มีเวลาล้างหน้าแปลงฟันเธอเกือบตายไปกับการวิ่งอาสาช่วยทํานาให้ชาวบ้านดีที่ว่าเธอ ได้มันเข้าหาสัตบุรุษจึงได้หลุดออกจากไข้ก้นของโลกธรรมที่แฝงมากับการงานอันไม่รู้จบปัจจุบันนี้เธอทิ้งโครงการนาพันไร่ให้กับคนทั้งโลกมาเป็นธรรมหนึ่งร่างหนึ่งร่างก็คือที่ตนและหนึ่งไร่ <c oughs> คือตัวเองเนี่ยแหละให้ดีที่สุดเสียก่อนและพร้อมที่จะลุยงานให้เข้าเป้า ไม่ใช่ทําตามใจข้าพระเจ้าแต่เอาตามงานที่หมู่กลุ่มจะตกลงกันคืออันนี้ก็คือคนประเภทที่เรียกว่าอะไรอะไรก็ได้นะพวกนี้พวกเอ่อเหมือนกับอะไรนะประชุมแบบสัญจร อ, อะอะไรนะเออประชุมแบบคอรมอรสัญจรแบบอะไรพวกเนี้ยเอ่อทวนกก อ, อะไรก็ได้เป็นนกกรินหรือนกอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วตอนนี้คือคือพวกเนี้บางทีชอบรับงานไงใครมากา็เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพวกเนี้ช่วยนิดช่วยหน่อยช่วยไปเรื่อยอะ่ะส่วนใหญ่อะไรไม่ค่อยเสร็จหรอกเ <ME> มื่อเมื่อช่วยนิดช่วยหน่อยอะไรอะไรก็ไม่ค่อยเสร็จเนี่ยมันเลยไ ม, ไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็เลยจะดูเป็นคนหย่อนยานพวกนี้เพราะมันไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรที่จะให้ให้อะไรอะ่ะให้เหมือนกับ ปากหลักได้ตั้งหลักได้มั่งเลยไงเพราะฉะนั้นสายพวกนี้เนี่ ย, ยก็จะชอบนะพวกนี้พวกค่อนข้างชอบจอนจรประจําเขาเรียกว่าจรประจําคือจร อ, อยู่เรื่อยเลยเพราะพวกพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากขยันนะแต่ขยันแบบขยันจรขยันรับอาสาทําไม่นอนทําไม้นี่เขามีอะไรใหม่ๆก็เอา้าเอากับเขาซึ่งมันมันก็ดีในในส่วนที่ดีก็ดี แต่ในส่วนที่เสียก็คือไม่ค่อยสําเร็จหรอกทำอะไรไม่ค่อยสําเร็จบอกแล้วมักจะทิ้งค้างไอห้นไอหนุ่งค้างไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเลยพวันแต่บอกว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ยังโชคดีนะโชคดีตรงที่ก็ว่าเออยังมาฟังเทศฟังธรรมมัง่งเข้าหาสัตบุรุษนี่แหละใช่ไหมบางทีอ่ะก็ได้ขุมทรัพย์มัง่งอ่าใช่ไได้รับการอบรมสั่งสอนบั่งก็เลยทําให้บางทีคือพวกนี้บางทีมักจะติด อยู่ในโลกกระทำมันจะติดตรงนี้ชอบบางทีทำอะไรเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าในทางที่ดีนะไม่ใช่เอาหน้าแบบกิเลสแบบโลกโลกอย่างอย่างโลกโลกเอาหน้าในทางที่ดีนะี่แหละโอ้โหแหมเห็นไห ม, มอันนี้พ่อท่านสนับสนุนพ่อท่านเชียร์อันนี้อะนะโอ้ยบุกอย่างเลยลุยหญ่เลยนะแหมยกธง อะไรขีมมกเขาบุ๊กำหน้าเลยนะแต่แป๊บเดียวตกมาบางทีมันรีบเกินไปมันไอ้หนันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีเป็นพวกสายมันจะมีนะเป็นพวกสายปัญญาเป็นพวกสายปัญญาที่อย่างเงี้ยชอบอะไรแปลกแปกใหม่ๆอะไรมาใหม่ชอบชอบชอบหรือสายเจโตที่ ปกติไม่ค่อยชอบอะไรใหม่นะแต่ถ้าเกิดอะไรชอบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดุยชนิดปัญญาตามไม่ทันเลยเขาเนี่ย <c oughs> สายเจโตแบบชนิดบางทีเนี่ยคือถ้าชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยดุยไปเลยนะ ซ, ซ, ซึ่งบางทีถ้ามันมันมันตรงๆอะ่ะพูด ง, ง่ายๆเห็นไหมหมายจะทําอะไรเนี่ยบอกนาพันไล่ <c oughs> จะทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิน บางทีมันเยอะเกินมันเกินกําลังคนเดียวก็สู้สู้ตายคนเดียวก็เหอะใครไม่ช่วยด้วยใครไม่เอาด้วยอะฉันลุยของชั้นนะคนเดียวบางทีเพื่อนเขาบอกโอ้โหยาเลยนะไม่คุมเลยนะานะไปช่วยกันตรงจุดนู้นก่อนที่กว่าด้วยไม่ฮะฉันจุดเนี้ยฉันจะเอาของฉันนอะจะทำคือคือคือเนี่ยถ้าไม่มีการฟังคนอื่นไม่ไม่เข้าหาสัตบุรุษนะ พวกนี้บางทีจะตรงๆไปเลยแต่ถ้ า, าได้เข้าหาสัตตาปุรุษบ้างได้ยินได้ฟังบั่งเรียนรู้เรื่องโลกกระทำบ้างคราวนี้จะเริ่มรู้จักมองกลับมานะมองที่กิเลสตัวเองพอมองเสร็จคราวนี้มันก็จะไม่ไปขี้โลบมาเกินไปนะจากนาพันไล่ก็เหลือไล่เดียวก่อนไล่นี้ไล่ร่างกายของเราเนี่ยแหละตัวตนเราเนี่ยแหละทำนาไร่นี้แหละเนี่ยให้ได้ซะ ก, ก่อน เพราะฉั้นข่าวนี้ทำไปแล้วมันจะค่อยมีสาเร็จขึ้นมาสาเร็จขึ้นมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็สำเร็จที่ตัวเองสำเร็จที่ตัวเองแล้วก็เออไปสำเร็จที่คนอื่นไม่อย่างนั้นนะพวกที่มีโครงการเยอะพวกโครงการเยอะนะเดี๋ยวเ๋ยวก็เอ้าให้คนนั้นเลิกอันนี้ให้คนนั้นเลิกอันนี้เอาให้ตั้งตะบ้านี่แต่ตัวเองยังไม่ไม่ได้ตั้งอ่ะตัวเองไม่ได้ทำอะไรให้คนอื่นก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไร เห้ไหม่อะไอย่างเงี้ยคือคือมันลืมตัวเองไปเพราะฉน้นในที่สุดเนี่ยไปเที่ยวทํานาให้คนอื่นเขาที่ท่านยกตัวอย่างนี้ก็คือเนี่ยแหละทำตัดของผู้เจ้าที่เป็นสายที่ชอบทํานาของคนอื่นแต่ไม่ได้ทํานาของตัวเองเพราะฉนั้นเขาก็เปรียบไว้อ่ะนาของคนอื่นดีแลยเรียบร้อยนาของคนอื่นเขาสําเร็จรุล่วงหรือพูดง่ายเขาได้มากผลแต่พอมาดูนาของตัวเอง โอ้โหทั้งหญ้าทั้งอะไรลกไปหมดเลยเสร็จแล้วอะไรอะ่ะข้าวสมมุติถ้าเป็นเป็นข้าวเนี่ยข้าวก็ไม่มีอ่าเพราะว่าไม่ได้มาดำไม่ได้มาหวานไม่ใบมาทอะไรอะ่ะมัวไปทําของคนอื่นเขาเพราะนาตัวเองก็ลกไปหมดเพราะในที่สุดตัวเองไม่ได้บักผลอะไรเลยนะอันนี้ท่านก็ก็เตือนตรงนี้เพราะจะต้องระวัง นะเอาอันนั้นเป็นคนที่สองส่วนคนที่คนที่สามคนที่สามคือคุณปัญญานิยมล่มเมืองล่มนี่ไม่ก็ได้กระดกลิ้นนะเออล่มจมอะล่มจมคุณปัญญานิยมล่มเมืองก็หมายถึงว่านี่แหละข้นี้สายปัญญาแท้เลยขาอนี้สายปัญญาชัดเลยว่าโอ้นิยมเหลือเกินเรื่องคิดเรื่องโครงการ พันล้านหมื่นล้านแสนล้านโครงการลถไฟฟ้าโครงการอะไรเ <c oughs> ขาใหเขาใช่อะไรนะจอมโครงกลางหรือไงบาทีเขามีสำนวนเนี่นี่แหละคือคิดซะเยอะแยะจนในที่สุดจะล่มเมืองเลย <c oughs> คือล่มเมืองทิ้งไปเลยหรือล่มเรืออย่างเงี้ยอื้างไปยังไงเพื่องในการวิเคราะห์วิจัยกิเลสของใครใคร และข้อบกพร่องทั้งหลายในโลกแต่กลับไม่ยักรู้ว่าตัวเองมีศักกยกกิเลสอะไรแต่พอเธอเปลี่ยนเป้าหันมาคิดลุยจัดการกิเลสของตัวเองก่อนแทนที่จะไปลุยจัดการกับผู้อื่นใครๆก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้เธอใหม่ว่าคุณปัญญานิยมร่มเมือง <c oughs> คือทำให้เมืองร่มเย็นขึ้นนะไม่ใช่ร่มเมืองตัวเก่าอาตมาก็ พูดมาล่ะกี้เนี่ยไอทำนาคนอื่นนะจริงจกันเนี่ ย, ยก็อยู่ในอันนี้ด้วยเนี่ยนะก็คือคือปัญญาที่แท้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ความคิดนะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยเข้าใจคําว่าปัญญานิยมคือคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะหมายถึงแค่ความคิดเพียงอย่างเดียวตักกะวิต ก, กะพิจารณาคิดไอโน่ไอนีไน่ไอนั่นอะไรต่างๆ ซึง่งจริงๆอันนั้นนะแบบโรคๆนั่นแหะก็ใช่เราเรามักจะพูดว่าพวกเนี้ตักการนิยมนะคือมีแต่ความคิดเพราะนั้นคิดโครงการอะไรคิดจนเป็นพระอรหันต์ก็ได้เนี่ยคุณทีคุณไปอ่านพระตไตรปิฎกคุณฟังเทพฟังธรรมคุณคิดจนเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ได้แต่มันแค่ความคิดไงมันแค่ความคิดเหมันพวกปัญญานิยมเนี่ยชอบคิดอย่างเงี้ยชอบคิดไปเรื่อยไปเรื่อย คือลืมมองความจริงของตัวเองว่าจริงๆตอนนี้ตัวเองเนี่ยคือใครคือใครไม่ใช่ท่านอาโศโกโนะคือใครนี่ก็คือตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานไหนฐานะไหนมันมีเยอะบางคนอยากมาฟังเทศฟังธรรมฟังไปปัป๊บอ่บางทีท่านก็เทศใช่ไหมองกินมือเดียวอย่างนั้นอย่างนี้นอนเตียงอโศกนะเอามาอยู่วัดเลย วุ้ยข้าของเงินทองอสละทิ้งไปอ่ไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปใช้อะไรมันโอ้พวกนี้คิดตามอย่เลยนะโอ้บัญยายไฟแลบเลยนะบอบบอบออโอ้โหคิดตามคิดตามคิดจนกระทั่งออืคิดว่าตัวเองทําได้หมดเลยอย่างนั้นแหะแล้วมันก็จริงนะในความคิดมันทําได้หมดเลย <c oughs> คือในความคิดเนี่ยมันทําได้หมดจริงๆแต่ความจริงอ่ะบางทีอ่ะโถเอ้ย ฝึกยังไม่เคยฝึกมาเลยบางทีบางคนวัดยังไม่เคยมาอยู่เลย อ, ะอ่ะอ้าละอะไรอีกอะ่ะปกติใช้เงินเป็นถุงเป็นถังอยู่เลยเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆจะไม่ใช้มันเป็นไม่ไม่ได้อะเพราะมีไงบางไลน์ที่มามาฟังเทศใหม่ๆแล้วโอ้โหศรัทธาแรงจัดเนี่ยฟังเสร็จ โอโ้ต้องกลับไปกินมื้อเดียวที่บ้านต้องเลิกเนื้อสัตว์กินบังสวิรัติอ่านะเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดม้อห่มเอ้าฟังแล้วโอ้โหลึกซึ้งลึกซึ้งประทับใจมากเพราะฉะนั้นกลับไปไปทําเลยอะนะยิ่งบางคนเนี่ยมีภรรยาหรือว่ามีลูกเต้าหรืออะไรเงี้ยนะพอกลับไปทําเท่านั้นเองอ่ยไม่ใช่เขางงอะเขาว่าบ้า เขาไม่ได้งงเขาบ้าไงมาไปฟังทำจากวัดไหนมาเนี่ยอสกโดนด่านเนี่ยบ่อยเลยเนะี่ยนี่มไปฟังทำจากที่ไหนมาถึงเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้ใครเขาตั้งตัวไม่ได้อะไรเลยนะโอ้รวมไปทั้งไม่ให้ใครตั้งตัวดีทั้งตัวเองด้วยนะตัวเองก็ไม่ได้ตั้งเลยนะแล้วบางคนนะ่ตอนมีปติใหม่ๆมมันก็ทำได้จริงๆด้วยสนะิมีปติใหม่ๆมันทาได้จริงๆนะ เพราะว่าไอตอนนั้นมันปิติมันมากเนี่ยมันหน้ามืดเหมือนกันนละยคืออะไรอะไรก็ไม่กลัวอะไรอะไรก็ไม่หวั่นเกรงฮอนทําได้เลยทันทีแต่พอปิติมันลดแล้วไงคะเนี่ยไอความประทับใจความอะไรมันลดยิ่งยิ่งโดนเขาด่าแหละคนนี้ยิ่งคนทางบ้านไม่เห็นด้วยยิ่งอะไรนะเอาละทีคนนี้มันชักเขียวละทีไอปิติมันชักหดลงไปเรื่อยๆคราวเนี้ของจริงมันบอกแล้ว น้ำลดเห็นต่อที่ยิงมันไม่ใช่ต่อผุดหรอกตอมันอยู่เท่าเดิมของมันแหละแต่น้ํามันลดเนี่ยมันเลยเห็นต่อโผล่ขึ้นมาความจริงไม่ได้โผล่นะมันมันตอมันยังอยู่ในน้ําของมันอยู่ปกติธรรมดาของมันแต่พอท่าน้ําลดเท่านั้นเองอ่ะเห็นเลยต่อคราวนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอปกติมันลดลงไปคราวนี้ของจริงเลยดิโอเอายิ่งตำหนิเรายิ่งว่าเรา โอ้ยธรรมะมันที่ถูกต้องต้องอย่างงี้สินะที่ดีมันต้องอย่างนี้เลิกเนื้อสัตว์นะเลิกยิมบางทีโว้ยนี่นี่ค้ากําไรเกินควรมันต้องขายแบบบุญนิยม <c oughs> <c oughs> โอไปปฏิวัติที่บ้านนะ <c oughs> นั่นเนะี่ยระวังเฮอทะเลาะกันตายเลยแหละอันนี้ต่อให้ตัวเองทําได้อะซึ่งตัวอย่างพวกนี้มีมาแล้วนะ อ่าเพราะมีบางคนเนี่ยพอไปอย่างเงี้ยแหละคือไม่รู้จักประมาณตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ทดสอบไม่ได้ทดลองตัวเองมาให้ดีเพราะันพอไปทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังก็ทำไม่ได้เพราะพอเจอผัสสะมากเข้าแล้วปิติมันหมดไปแล้วเนี่ยก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยเขาโอโ้โหเขายิ่งซ้ำเราใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่อบ้าทาอะไร ไม่รู้จกคิดโอ้ว่าใหญ่สิคขาเนียเพราะฉะนั้นคราวี้เลยิ่งแย่เลยนะเพราะบางคนเนี่ยโอ้เสียผู้เสียคนจริงๆอะคราเนี้เพราะจะต้องระวังแล้วปกติเนี่ยเห็นไหมละ่ะปกตเิเอาแต่คิดเพราะคนเนี่ยคนประเภทเนี่ยนะปัญญานิยมเนี่ยแล้วก็ล่มเมืองเนี่ยคือต้องหัดคราวนี้ไปคิดอะไรไปฟังอะไรมาเนี่ย หลังจากที่พิจารณาแล้วอะไรแล้วเนี่ยต้องลองปฏิบัติดูก่อนว่ามันได้จริงไหมแลวเป็นไปได้ไหมแล้วปฏิบัติมันก็ต้องมีระยะเวลาขนาดหนึ่งไม่ใช่โอ้พอกลับไปบ้านปั๊บทำได้วันนี้ทาได้ก็เอาแล้วทาได้แน่นอนส่วนใหญ่ปฏิบัติทำเนี่ยมันจะทำกันไปตลอดชีวิตนะ